แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรักหลงยึดติดสิ่งทั้งปวงเพราะอำนาจของความยึดมั่นที่ผิดในพุทธศาสนามีวิธีปฏิบัติเรียกว่าศีล ส, สมาธิปัญญาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือตัดความยึดมั่นถือมั่นนั้นเสียอุปาทานความยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด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 จนถึงผลสุดท้ายของพระพุทธศาสนาเรื่องทั้งหมดก็ไปจบสิ้นลงที่นิพพานดังหลักพุทธภาษิต ท, ที่ว่าพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ย่อมถือว่านิพพานเป็นอุดมมาธรรมฉะนั้นเราจะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจและให้รู้ถึงได้ตามสมควร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 ศึกษาพระพุทธศาสนากันในอาการเช่นนี้เพื่อจะได้เข้าใจถึงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงไม่เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาหรืออย่างน้อยก็ทาให้เราได้ความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์หรือเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดี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 ใจสกรปรกมืดมัวและร้อนเร่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิง่งนำตัวกลัวอบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบขวนขวาย ให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชื่อเอ่ย